hmm หนาวแบบนี้เนี่ยตอนเช้าๆสายๆอาจจะสังเกตเห็นพวกจิ้งเหลนเนี่ยมันมานอนพึ่งแดดนะอยู่แถวสะพานหรือว่าตามทางที่เป็นที่โล่งมันนอนพึ่งแดดก็เพราะว่าต้องการความอบอุ่นที่มันต้องการความอบอุ่นก็เพราะว่าในตัวมันเนี่ยนะมันไม่สามารถที่จะ สร้างความอบอุ่นได้ด้วยตัวมันเองก็เลยต้องพึ่งพาความอบอุ่นจากแสงแดดแต่ว่าคนเราเนี่ยได้เปรียบกว่าสัตว์จำพวกนี้นะอากาศแบบนี้เราไม่เป็นต้องพึ่งแดด ก, ก็ได้นะเพราะว่าเราสามารถจะสร้างความอบอุ่นได้ด้วยตัวเอง มนุษย์เรานี่เป็นสัตว์เลือดอุ่นนะสัตว์เลือดอุ่นก็หมายความว่าสามารถที่จะสร้างความอบอุ่นนะภายในร่างกายได้โดยตัวเองไม่ต้องพึ่งพาความร้อนหรือความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์ก็ได้ร่างกายเรานะมันก็ต้องความ้องการความอบอุ่นแต่คนเราก็ไม่ได้มีแต่ร่างกายเดี๋ยวเรามีจิตใจด้วย ที่ร่างกายต้องการความอบอุ่นเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้สามารถทำงานได้จิตใจเราก็ต้องการนะความสุขความสุขที่จะช่วยทำให้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจชีวิตเนี่ยถ้าไม่มีความสุขนะเขาเรียกว่าแห้งแรงเป็นชีวิตที่แห้งแรงแต่คราวนี้เนี่ย ความสุขจะได้มาจากไหนคนจะนวนมากเนี่ยที่เรียกว่าส่วนใหญ่ก็ว่าได้หวังความสุขจากภายนอกต้องคอยพึ่งพานะสิ่งภายนอกโดยเพราะวัตถุสิ่งเสพอันนี้นแง่นง เ, นเนี่ยคล้ายๆกับจิ้งเหลนนะก็คือว่าต้องรอคอยนะต้องรอคอยหรือพึ่งพาแสงอาทิตย์แต่จริงๆแล้วเนี่ย คนเรานะไม่เป็นต้องพึ่งพาความสุขนะจากสิ่งภายนอกก็ได้หรือไม่เป็นต้องพึ่งพาเสมอไปนะจิตใจเรานี่ก็สามารถที่จะนะสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองความสุขนี่พบหาได้ที่ใจไม่ต้องรอคอยพึ่งพาสิ่งภายนอก คนส่วนใหญ่ก็ไม่เข้าใจนะหรือว่านึกไม่ออกว่าเราจะพบความสุขได้ที่ใจหรือแสวงหาความสุขจากจิตใจได้อย่างไรก็คอยแต่แสวงหาความสุขจากภายนอกเช่จนจากอาหารที่อร่อยเพลงที่เพราะหนังที่สนุกหรือว่าสถานที่ที่มันสวยงามมีสิ่งเร้าเย้ายวนต่าง เช่นสถานเริงรมผับบ้าคาาวเกา จ, จะรวมไปถึงเกียรติยศชื่อเสียงนะตำแหน่งนะหรือสถานภาพที่คนหนึ่งเขายกให้นะพอไปแสวงหานะความสุขจากสิ่งนั้นมากๆเข้าก็กลายเป็นว่าพึ่งพายึดติดนะจนนั่งกลายเป็นท่าของมัน พอกลายเป็นท่าของมันก็อันนี้แหละเป็นเรื่องแล้วนะเพราะว่าอาจจะทำชั่วผิดศีลผิดธรรมเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นมา ก, ก็ได้หลายคนก็ขอรับชั่นบ้างรักขโมยบ้างจี้ปล้นบ้างเพื่อได้มีเงินไปแสวงหาความสุขหรือบางทีก็ บอกบอกก็ขัดแข้งขัดขากันเลื่อยขาเข้าอี้นะเพื่อตัวเอง ไ, ได้มีตำแหน่งสูงสูงได้เลื่อนให้ยิ่ง ย, งยงขึ้นไปอันนี้เรียกว่าทำไปเพราะตกเป็นธาตุนะของความสุขนะที่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกจนระิงๆเราไม่ไม่ต้องทำขนาดนะั้นหรือทำอย่างนั้นก็ได้นะเพราะว่า ให้ความสุขนี่มันพบได้ที่ใจนะใจเราเนี่ยมันเป็นเครื่องนะผลิตความสุขได้ที่ไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบได้เลยนะแล้วความสุขที่ประเสริฐและประณีตเนี่ยที่ใจต้องการมากเนี่ยคือความสงบนะความสงบคนที่เขาได้ ได้เสพความสุขจากวัตถุสิ่งเราต่างๆเนี่ยแม้ว่าจะได้เสพเต็มพิกัดนะแต่ก็ไม่เคยรู้สึกว่ามันเต็มอิ่มสักทีมีเงินมากเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอมีอำนาจมากแค่ไหนก็ยังกระหายอยากได้อีกสิ่งที่เขาขาดหรือหอยหาในส่วนนี้ก็คือความสงบ แต่บางทีก็ไม่รู้นะว่าต้องการความสงบรู้แต่ว่าข้างในเนี่ยมันรุ่มร้อนมันมันยังพร่องอยู่ก็คิดว่าไอ้ที่พร่องรู้สึกที่มันไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, มีความสุขเนี่ยเพราะว่ายังได้ไม่พอก็อเลยแสวงหาอีกดิ้นรนขวนไคว่ไม่หยุดแต่ได้เท่าไหร่ก็ยังรู้สึกยังพร่องอยู่เหมือนเดิม เพราะว่าในสิ่งที่หาามามันไม่ใช่สิ่งที่จิตใจต้องการนะนั่นคือความสงบคนเราส่วนใหญ่นี่แยกไม่ออกนะเวลามีความทุกข์ภายในใจเนี่ยนึกว่าเป็นเพราะยังมีไม่พอหารู้ไหมว่ามันเป็นเพราะยังไม่ยังสงบไม่พอมากกว่าะไม่ใช่มีไม่พอเดี๋ยวนี้ อย่าว่าแต่ความทุกข์ในใจเลยนี่ที่บอกไม่ได้หรือแย่ไม่ออกว่ามันทุกข์เพราะอะไรแม้แต่ความทุกข์ทางกายเนี่ยนะคนจนวนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะก็บอกไม่ได้แย่ไม่ออกว่ามันทุกข์เพราะอะไรอย่างมีหมอคนหนึ่งเขาเล่าว่าเนี่ยเขาก็สังเกตพวกหมอฝึกใหมนะ่หรือว่าหมอประจาบ้า น, เ, นเรียกว่าเรซิเดนต์และอีกหรืออินเร์เนี่ย พวกนี้ก็ทำงานหนักมากกลางวันทำงานไม่พอนะกลางคืนก็ถูกเรียกนะให้ไปดูแลคนไข้รีบด่วนนะถูกตามตัวไปไปประจำาติดๆกันหลายคืนนะกลางวันก็ทำงานกลางคืนก็ทำจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วพอทำงี้ติต ด, ตดต่อกันหลายวันนีนะ้ก็จะมีอาการล้า แล้วเขาสังเกตเนี่ยหลายลายเนี่ยพอทำดึกๆนะจนเสร็จงานเนี่ยตีหนึ่งตีสองส่วนใหญ่เนี่ยนะพอออกจากห้อง e อแล้วเนี่ยไม่ได้เข้าหอพักนะเดินเข้าร้านอาหารหรือว่าเข้าร้านสะดวกซื้อยอย่างเซเว่เนี่ยไปทำอะไรนะไปกินหมองนี่ยเขาก็แปลกใจเพราะว่า จริงๆร่างกายของคนเหล่านี้เนี่ยต้องการการพักผ่อนร่างกายประท้วงว่าฉันล้าแล้วฉันขอนนอนได้แล้วแต่ว่าหมอหนุ่มเหล่านี้หนุ่มสาวเหล่านี้นคิดว่าไอ้ความทุกข์กายที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าหิวนันพอเสร็จงานก็ตรงเข้าไปหาของกินทันทีซึ่งมกักจะเป็นของที่ อ, อร่อยหวาน เลยร่างกายก็เลยอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นแล้วก็แปลกใจทาไมเวลาล้าแล้วในแทนที่จะไม่รีบเข้าไปนอนนะแต่กลับเข้าไปกินเนี่ยอันนี้ก็เพราะแยกแยะความรู้สึกทุกข์กายไม่ได้ว่าทุกข์เพราะล้าจึงอยากนอนพักหรือว่าทุกข์เพราะหิวนะจึงควรที่จะได้กินอาหารหรือหาอะไรมาใส่ท้องอ น, นี้คนเราแปลกแยกกับตัวเองนี่มากเนะ่ ทูกใจก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรไอหนักกว่านั้นทุกกายก็ไม่รู้เลยว่าเป็นเพราะลาหรือเพราะขิวกันแน่ที่คนที่เขานะเขาไหวตัวทันเนี่ยเวลาเขาได้รับความสุขต่างๆแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปบางอย่างยังรู้สึกพร่องอยู่เนี่ยเขาก็จะเริ่มตันหนักแล้วเป็นเพราะเราขาดความสุขขาดความสงบต่างหากหลายคนก็ ยอมเสียเวลานะไปแสวงหาความสงบแล้วแต่ก่อนไปแสวงหาความสุขทางวัตถนะุปีใหม่แทนที่จะไปเที่ยวตามที่ต่างๆนะไปช้อปปิง้งนเะมืองนอกนะก็มาเข้าคอสปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เกิดขึ้นนะมากมายทั้งในเมืองนอกแล้วก็เมืองไทยเนะมืองนอกนี่คอสแพงๆราคาเป็นหมื่นเป็นแสนก็ก็ยอม เสเงินเนี่ยเบุนี่เขาไม่ค่อยไม่ค่อยคิดมากแต่พอเสียเวลาเนี่ยเขาจะคิดละแต่พอทุกมากเนี่ยมันก็เลยยอมเสียเวลาหลายคนก็ได้พบความสงบอย่างที่ต้องการแต่พอออกมาอยู่กับโลกภายนอกนะมันก็วุ่นวายเจอความวุ่นวายก็มักจะทุกข์ใหม่อันนี้เพราะว่าความสงบที่เขาพบนี่มันจะเป็นความสงบที่เกิดจาก สิ่งแวดล้อมหรือเกิดจากบรรยากาศภายนอกมากกว่ายังไม่ใช่ความสงบที่เกิดจากใจจริงๆนะแต่ความสงบที่ใจมันไม่ได้ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมภายนอกนะเช่นเดียวกัความสุขนะอย่างที่เคยเล่าเมื่อสองสาวันก่อนเนะนี่ยบุรุษไปสณีทํางานนะกลางแดดนะตอนบ่ายบายนี่แดดแรงร้อนอ้าวเหงื่อนะเต็มหลังเลย แต่ก็ยังยิ้มได้ทำงานส่งพัสดุส่งจดหมายก็ยังมีอารมณ์ร้องเพลงขณะที่รอรอคนมารับจดหมายไอ้คนที่มารับจดหมายต่างหากนะที่อยู่ในห้องแอร์แต่ก็ยังรู้สึกหงุดหงิดไม่อยากจะออกมารับจดหมายแต่ว่าพอรู้ว่าบุรุษไปเทนีนี่เขาจะรอไปเรื่อยๆ รอไปด้วยร้องเพลงไปด้วยก็เลยต้องออกมารับแล้วก็ถามบุรีไปสุนีว่าเนี่ยอากาศร้อนๆแบบนี้ทำไมยังมีอารมณ์ร้องเพลง ก, ก็ตอบว่าโรคมันร้อนแต่ใจเย็นมันก็เย็นครับผมทางานไปส่งจดหมายไปก็ร้องเพลงไปก็มีความสุขครับอันนี้เขาไม่ได้พึ่งพานะความความสุขจากภายนอกนะแต่ร้อนๆนี่มัน มันก็มีแต่ทำให้กายรุ่มร้อนนะแต่ว่าใจเย็นได้นะพอเขารู้จักสร้างรู้จักหาวิธีทำให้ใจเย็นวิธีการเขาก็ง่ายๆคือร้องเพลงแต่ถึงแม้ไม่ร้องเพลงเนี่ยใจก็เย็นได้เนะี่ยถ้าเราฝึกจิตเอาไวด้ดนะีเรามีวิธีที่ดีกว่านั้นนะไม่ต้องร้องเพลงใจเราก็เย็นได้นะสงบได้แม้ว่าข้างนอกจะวุ่นวาย มันอยู่ที่ใจนะมันต้องลองสังเกตให้ดีไอ้ที่มีเสียงดังข้างนอกแล้วใจเราไม่สงบเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะเสียงดังนะแต่เป็นเพราะใจเราดังหากมีเรื่องเล่าว่าสมัยที่หลวงปู่บุ ด, ดานี่ยังมีชีวิตอยู่นะท่านก็มรณาภาพไปยี่สามยี่ปีแล้วตอนที่มรณาภาพก็ร้อยปีพอดีอายุร้อยปีพอดีประมาณสองหสหสปีที่แล้วนี่ท่านได้รับนิมนต์ให้ไปฉัน ที่บ้านโยมคนหนึ่งนะในกรุงเทพท่านก็เดินทางจากสิงห์บุรีมาพอฉันเพนเสร็จท่านก็จะกลับละโยมก็ที่ว่าท่านชราแล้วตอนนั้นก็คงแปดสิบแล้วะก็อยากจะให้ท่านนะพักก่อนก็หาห้องให้ท่านได้เองหลังลูกศิษย์ก็มาด้วยนะแต่ว่าก็มานั่งเป็นเพื่อนเวลาคุยกันก็กระซิบกบระซาบ ไม่อยากให้เสียงรบกวนหลวงปู่แต่ว่าห้องที่ติด ก, กันมันเป็นห้องมันเป็นห้องแถว่นะแล้วก็ห้องติด ก, กันเป็นร้านร้านชำโชห่วยเจ้าของเป็นคนจีนนะเป็นอา ม, ม่าคนจีนสวายกว่าที่เขาสวมเกีย้ยวเวลาเดินก็มีเสียงดังเสียงเกีย้ย น, นก็ดังมาถึงห้องที่หลวงปู่บุตรานั่งจำวัดอยู่ที่จริงท่นเองหลังเฉยๆนะ พอเสียงดังเข้ามานี่ลูกศิษย์ก็ไม่พอใจมีคนนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยเดินไม่เก่งใจกันเลยเสียงดังจังเลยหลวงปู่ที่ยืนนั่นก็เลยท่านไม่ได้หลับท่านทจิตก็เลยปลุกขึ้นมาเบาๆว่าเขาเดินของเขาอยู่ดีๆเราเอาหัไปลองเกีย้ยวเขาเองเสียงดังเนี่ไม่ไม่ใช่ปัญหาปัญหาเกิดขึ้นเมื่ออาหัไปลองเกี้ยน่ะเอาหูไปลองเกียนะเก้ยวเพราะอะไรนะเพราะไม่มีสติพอไม่มีสติเนหูวมก็หาเรื่องนะ พอเอาหูไปรองเกียวก็เป็นไงก็เกิดความทุกข์ขึ้นเกิดความหงุดหงิดขึ้นใจไม่สงบแล้วที่จริงถ้าไม่เอาหูไปรองเกลี้เนี่มาเสียงดังยังไงนะใจก็สงบได้แล้วที่ไม่เอาหูไปรองเกีย้ยก็เพราะว่าเออมีสตินะมีสติรู้ทันเวลาใจกระเพื่อมมีสติรู้ทันว่าใจกระเพื่อมเพราะว่ามีเสียงมากระทบหู และใจมันก็มีปฏิกิริยาตัตโนมัติแต่พอมีสติรู้อย่างนั้นเนี่ยมันก็จิตที่กระเพื่อมก็จะสงบเพราะเป็นธรรมชาติของจิตเนี่ยเวลา ม, มันมันมีอาการเพราะหลงเพราะไม่รู้เนี่ยพอถูกรู้ถูกเห็นด้วยสติขึ้นมามนก็จะสงบนก็แปดนะคนเราไม่ชอบเสียงเกีย้ยวหรือเสียงดังอย่างอื่นๆแต่ก็มักจะหูไปลองเกีย้ยะ บางทีเขากําลังก่อสร้างนะกําลังตอกตะปูเสียงดังบางคนก็หูไปลองคอนปวดทุกครั้งที่เขาตีตะปูนี่นี่เรียกว่าหูหาเรื่องเพราะไม่มีสติเขาตีตะปูยังไงใจเราก็สงบได้นะถ้าเราไม่หูไปลองคอนเขาเนาความสงบมันเกิดขึ้นในจิตใจเราอยู่แล้วนะสิ่งภายนอกจะเป็นยังไงก็มันเป็นเรื่องของ เป็นเรื่องของเขานะีมันเป็นธรรมดาอะไรที่ใจไม่ชอบเนี่ยนะสังเกตนะจิตมันจะเข้าไปยึดเอาไว้เข้าไปปักตึงเช่นความปวดความเมื่อยปวดเมื่อยเนี่ยกายปวดเมื่อยใจก็สงบได้นะแต่หลายคนเนี่ยปวดเมื่อยทีไรใจไม่สงบนะล้วก็ไปโทษนะว่าเป็นเพราะถูกบังคับให้นั่งนานๆหรือเป็นเพราะนะฝืนใจทํา ต้องนั่งหลังคนหลังแข็งจริงๆความปวดความเมื่อยเนี่ยนะที่เกิดกับกายเนี่ยมันไม่ทําให้ใจทุกข์หรอกแต่เพราะใจไปยึดติดนะไปปักตึงอยู่กับความปวดความเมื่อยเกิดความสําคัญบ้านหมายขึ้นมาว่าเนี่ยกูปวดกูเมื่อยขึ้นมาตรงนี้แหละนะที่กลายเป็นทําให้ทุกข์ทันทีทําให้ใจไม่สงบทันทีทาให้ใจว้าพุนทันทีกายปวดเมื่อย แต่ว่าขาแต่ว่าใจนี่สงบได้นะเมื่อสักสองาทิตย์ก่อนนี่พาคนไปยังมีการดบรมนะแล้วก็ตอนเช้าก็พาคนเนี่ยไปเดินจงกลมถนนที่เดินเนี่ยนะมันเป็นถนนลาดยางก็จริงนะแต่ว่ายางเนี่ยถูกน้ำเซาะจนกร่อนไปแล้วนะเหลือแต่กรวดเหลือแต่หินแล้วก็ขมซะเลยเพราะว่ารถก็ไม่ค่อย มีเท่าไหร่ก็แนะนำว่าใครที่ถอดรองเท้าแล้วก็ลองถอดดูถอดรองเท้าเดินก็ส่วนใหญ่ก็บ่นกันตั้งน้าว่ามั น, มนเจ็บมันปวดบางคนนี่ขนลุกเลยนะเหงื่อออกเลยนะที่จริงไอ้ที่เหงื่อออกเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่เจ็บ น, นะแต่เป็นเพราะความกลัวความกลัวบางทีไม่ทันเยียบเลยมันก็นะ หัวใจก็ตกึกตักตึกตักก็าบอกให้เขาดูดนะดูดูใจนะไม่ใช่ว่าเท้าเหยียบแล้วใจไปปักตึงอยู่ที่เท้าที่ถูกหินถูกกรวดทิ่มให้มาดูใจว่ามันบนโมยว่าที่โพยที่พายหรือเปล่าให้สังเกตดูใจว่าเนี่ยมันไปยึดติดกับมันไปจดจ้องอยู่กับเวท น, นาหรือความปวดที่เท้าหรือเปล่าความปวดไม่ชอบแต่ทําไม จิตมันไปปักตึงอยู่ตรงความปวดนั้นมันไม่ใช่เห็นความปวดมัน้าไปเป็นผู้ปวดเข้าไปแล้วมีความรู้สึกว่าตัวกูผู้ปวดเกิดขึ้นก็ตอนหลังนี่ก็มีบางคนเขาเขาก็พบนะเวลาเท้านี่เหยียบปวดนี่พอมีสติดูใจนี่มันมันโล่งเลยต้อเห็นใจที่มันโล่งมันเบากลับรู้สึกว่าไม่ค่อยปวดเท่าไหร่ ที่จริงความปวดอย่างเหมือนเดิมนะหมยถึงความปวดที่ที่เท้าหรือความปวดกายเหมือนเดิมนะแต่สิ่งที่มันหายไปคือความปวดใจหรือความทุกข์ใจและที่ปวดก็เพราะที่หายปวดก็เพราะว่าเขามีสติเข้ามาเห็นนะเห็นว่าใจนี่มันไปมันไปปรุงแต่งนะใจมันไปยึดติดถือมั่นกับความปวดที่เท้าพอมีสติปุ๊บรูปนี่มันวางเลยนะ ใจกับเป็นปกติความทุกข์ใจมันหายไปเลยสิ่งที่เหลือคือความทุกข์ที่เท้าความทุกข์กายซึ่งอาจจะเหลือแค่ห น, นึ่งในสามเนียเขาก็รู้สึกโอมันเบานะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่หลายคนเขาพบนะเวลาเดินแล้วก็มีสติรู้นะรู้จิตรู้เวทนาเขาเห็นเลยว่าความทุกข์เนี่ยก้อนใหญ่เนี่ยนะ ที่เกิดจากการเดินมันมันเป็นเพราะใจเนี่ยนะใจมันไปหาเรื่องเองที่ใจไปหาเรื่องนะเหมือนกับเอาหัไปลองเกี้ยเนี่ยก็เพราะไม่มีสติก็เพราะว่าแม้เดินเดินจงกรมเท้าจะเจ็บกายจะปวดนะแต่ใจก็สงบได้ตรงนี้แหละที่พบว่าจะเห็นเลยนะความสงบวันนี้มันอยู่ที่ใจเนี่ยแความไม่สงบก็ ก็เกิดพาะใจด้วยดันั้นถ้าวางใจผิดก็เป็นปัญหาให้การที่มันรู้ตัวเนี่ยมันรู้กายรู้ใจนี่มันมันเป็นวิธีทางสู่ความสงบนะเป็นความสงบที่เกิดขึ้นเองเกิดขึ้นด้วยใจนะไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกนะไม่ต้องพึ่งพาผู้คนว่ายหยุดส่งเสียงดังได้แล้วนะ หรือว่าต้องหลีกเล้นมาอยู่ป่าหรือไม่ฉะนั้นก็ต้องหากระจกมาปิดนะติดแอร์มันจะได้ไม่มีเสียงมารบกวนวิธีที่ดีกว่านั้นคือนะให้มันรู้ใจนะให้มันรู้เวทนารวมถึงรู้กายด้วยนะเนะมื่อเราเมื่อกี้เราก็สวดมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยก็จะเน้นนะข้อความที่เกี่ยวกับ ก า, นะกายนีกายานุปัสสนาก็จะมีตอนบอกว่าให้ใหพิจารณากายในกายก็เห็นว่ากายนี่ยมันเป็นเป็นที่ระลึกที่เป็นที่ระลึกนะเป็นที่ระลึกเป็นที่ให้มีสติรู้ไม่ใช่เขาไปยึดเอาไว้รู้ว่ามันเป็นแค่กายเนะี่ยระลึกว่านะ มันเป็นแค่กายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราพอไม่มีสติมันก็จะไม่รู้นะว่าโอ้นี่แค่กายนะแต่มันจะไปมากกว่านั้นนะก็คือไปนยึดว่าเป็ น, เ, ปนเรานะเป็นของเราไม่ใช่แค่รู้หรือแค่ระลึกได้ว่ามันเป็นกายกับจิตก็เหมือนกันนะหรือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ โทสะโลภะก็เพียงแต่รู้ว่ามันมีอยู่นะไม่ได้เข้าไปยึดนะไม่ได้เข้าไปยึดติดถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเวทนาก็เช่นเดียวกันนะก็สักแต่ว่าระลึกนะเป็นแค่ที่ระลึกได้หรือว่าเป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่เป็นเราเป็นของเรานะแต่พอไป เพะไม่พรมีสติหนึ่งถึงก็ไปยึดนะว่าความปวดนี้เป็นเราเป็นของเราอนะนะมันเกิดตัวกูผู้ปวดขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าหลงนะหนะลงแล้วอนะมันเป็นการเห็นที่ผิดจากความจริงคือไม่รู้ความจริงนั่นแหละนะก็เพราะหลงนี่แหละนะไม่เห็นความจริงไม่รู้ความจริงก็เลยทําให้ทุกข์นะทําให้จิตใจไม่สงบ ให้ความสงบเกิดขึ้นได้นี่ก็เพราะว่าหลวงพ่อ็นงพิณท่านใช้คำว่าเปลี่ยนหลงให้เป็นรู้นะเริ่มจากรู้ตัวก่อนนะรู้ว่าใจมันกําลังบ่นวุว่นวายตีโพยตีพายนะรู้ว่าใจมันเข้าไปยึดติดไปจดจ่ออยู่ตรงที่ปวดหรือไปจดจ่ออยู่ที่เสียงที่ไปคีดว่ามันมารบ ก, กวนและต่อไปมันก็พอเห็นเห็น ไปเรื่อยๆมันก็จะรู้ก็จะเห็นความจริงนะว่าอ๋อมันเป็นแค่มันเป็นแค่กายนะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเนะี่ยกายนี่ก็เป็นสักแต่ว่าที่ระลึกนะหรือเป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นที่เป็นสิ่งที่สติระลึกได้แค่นั้นเองอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอ่ะ ถ้าเราปราถ้าเราตระหนักนะว่าความสุขเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจนะและความสุขมันก็มีหลายประเภทนะความสุขที่ประเสริฐที่ประณีตนะคือความสงบก็ต้องรู้จักหาความสงบให้พบนะในจิตใจหรือด้วยจิตใจของเรานะอย่าไปคอยพึ่งพาความสงบจากภายนอกจากผู้คนรอบข้าง หรือว่าจะไปพึ่งพาความสุขนะจากสิ่งภายนอกอย่างเดียวใจเราเนี่ยมันสามารถที่จะผลิตหรือว่าสร้างความสุขความสงบนะขึ้นได้นะกนพยายามนะเห็นศักยภาพตรงนี้นะของใจเราแล้วก็พยายามใช้ศักยภาพนี้ให้เกิดประโยชน์นะเพื่อทำให้ชิงเรานีมันไม่แห้งแล้งแล้วก็มันก็ไม่รุ่มร้อนนะแต่ว่ามัน สงบเย็นสดชื่นแจ่มใสาาชาเนี่ยพูก็บตอนนี้นะครับคระ